อรหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณนะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะ เป็นสว่ากขาตธรรมคือธรรมะอันประภูมิประภักดีรัดดีแล้วสั้นดิทิโกอันภูปฏิบัติผูได้บรรลุเพิ่งเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบวยการเวลาเอหิปัติโก ควรเรียกให้มาดูโอปณนะอโกควรน้อมเข้ามาเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วนั้นจึงเป็นธรรมะอันประกอบด้วยประธรรมคุณทุกข้อดังที่ได้แสดงมาโดยลำดับ จนถึงข้อโอปนญิโกควรน้อมเข้ามาก็คือควรน้อมจิตนี้เองเข้ามาสู่ธรรมหรือควรน้อมธรรมเข้าสู่จิตถ้าไม่น้อมเข้ามาดังกล่าวนี้ธรรมะที่ประภูมีประภาคปดไบ่ดีแล้วนั้น ก็ไม่บรรลุถึงบุคคลบุคคลก็ไม่บรรลุถึงธรรมะจะต้องมีการน้อมเข้ามาจึงจะได้บรรลุธรรมะหรือธรรมะบรรลุบุคคลหรือบุคคลถึงธรรมะธรรมะถึงบุคคล และการน้อมเข้ามานั้นก็ได้แสดงมาเมื่อยกสติปัฏฐานขึ้นเป็นที่ตั้งก่อนน้อมเข้ามากำหนดกายเวทนาจิตธรรมและก็ได้กำลังแสดงถึงข้อเวทนาซึ่งข้อเวทนานี้เป็นข้อที่สำคัญ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ในที่ทั้งหลายแก่บุคคลทั้งหลายเป็นอันมากตลอดถึงทรงแสดงแก่พระอัครสาวกก่อนที่ท่านจะได้บรรลุถึงธรรมะสูงสุดดังที่ได้กล่าวแล้วเหมือนกันและเวทนานี้ ตามปฏิจจสมุปบาทเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาซึ่งได้อ่างมาแล้วเหมือนกันและยังมีในพระสูตรอื่นดังเช่นชาักกสูตรที่ได้ตัดไว้โดยความว่าแม่อาสวะอนุสัยคือกิเลสที่ ดองจิตสันดานนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานที่เปรียบเหมือนเป็นตะกรนก้นตมอันเป็นกิเลสอย่างละเอียดก็สืบเนื่องมาจากเวทนาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวทนานี้จึงกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องเป็นเครื่องปรุงจิต การกำหนดเวทนาจินเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะพึงตั้งสติหัดกำหนดตามระยะที่จะตัดสอนไว้สำหรับที่ตัดถึงอาสวะอนุสัยก็สืบมาจากเวทนานั่น ดังจะได้นำเอาใจความมาแสดงโดยสังเขตว่าบุคคลอันสุขเวทนาถูกต้องย่อมอภินันยินดีเพลิดเพลินย่อมชมชื่น สยบติดอยู่เมื่อเป็นดังนี้ราคานุสัยราคะคือความติดใจยินดีย่อมตกตะกอนนอนจมอยู่ในจิตสันดานอันเรียกว่าราคานุสัยมุคคล อันทุกขเวทนาถูกต้องย่มโศกเศร้าเสียใจลำบากใจรันจวนใจตีอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลปฏิฆะคือความประทบประทั่ง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 ปฏิฆะคือความประทบประทั่งจิตซึ่งเป็นต้นของกิเลสกองโทสะย่อมตกตะกอนนอนจมอยู่ในจิตสันดานเป็นปฏิคาหุสัสกิเลสที่นอนจมกิตสันดาน คือปฏิฆะความปลระทบระทั่งบุคคลอันเวทนาที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขถูกต้องยอมไม่รู้ความเกิดขึ้นความดับไปยอมไม่รู้ผลส่วนดีที่ น่าพอใจย่อมไม่รู้ผลส่วนโทษย่อมไม่รู้การนำจิตออกเมื่อเป็นดังนี้อาวิชาคือความไม่รู้แจ่มแจ้งก็ตกตะกอนนอนจมอยู่ในจิตสันดาน เป็นอวิชานุสัยอนุสัยกิเลสที่นอนจมกิจสันดานคืออวิชชาบุคคลไม่ละราคานุสัยในสุขเวทนาไม่บันเทาปฏิคานุสัย ในทุกขเวทนาไม่ถอนอวิชานุสัสในเวทนาที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขหรืออุเบขาเวทนาไม่ละอวิชาไม่ทำวิชาให้มันเกิดขึ้นย่อมไม่เป็นฐานะว่าจะกระทมให้ถึงที่สุดทุกข์ใน ปัจจุบันได้ส่วนบุคคลผู้ที่สุขเวทนาถูกต้องย่อมไม่อภินันยินดีเพลิดเพลินไม่ชื่นชมไม่สยบติดราคานุสัยก็ไม่เกิดขึ้นบุคคล อันทุกขเวทนาถูกต้องย่อมไม่โศกเศร้าเสียใจลำบากใจไม่รันจวนใจไม่ตีอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลปฏิฆาหนุัยก็ไม่เกิดขึ้นบุคคลอันเวทนาที่ไม่ใช่ทุกขไม่ใช่สุขถูกต้อง ย่อมรู้ความเกิดความดับย่อมรู้ส่วนเป็นคุณที่ทำให้พอใจส่วนที่เป็นโทษย่อมรู้การนำจิตออกไปได้อวิชานุสัยก็ไม่เกิดขึ้น บุคคลภูละราคาหนุสัยในสุขเวทนาบันเทาปฏิคาหนุสัยในทุกขเวทนาถอนอวิชานุสัยในเวทนาที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่ศกละอวิชชาทำวิชาให้มังเกิดขึ้นย่อมเป็นฐานะ ที่จะทำทุกข์ให้สิ้นสุดได้ในปัจจุบันดังนี้ตามพระพุทธภาษิตในชาชักกสูตรที่ได้ตัดตอนมากล่าวโดยย่อนี้แสดงว่าเวทนาเป็นปัจจัยอันสำคัญนำให้เกิดกิเลสจนถึงขั้นอนุสัย คือกิเลส ท, ที่นอนจมอยู่ในจิจสันดานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดตามดูจิตสืบต่อจากเวทนาที่เรียกว่าจิตตาอุปัสนาสติปัฏฐานตั้งสติ ดูตามจิตซึ่งแบรโดยสังเขตว่าตั้งสติตามดูจิตคือกำหนดดูจิตของตนจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะความติดใจยินดีจิตปราศจากราคะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะความปรีใจยินดีจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะความขัดแค้งโกรธเคืองจิตปราศจากโทสะก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะความหลง ก็ให้รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็ให้รู้ว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตถึงความเป็นใหญ่ที่เรียกว่ามหัคคตะคือ ัรรลุถึงสมาธิขั้นอัปปนาแนบแน่นถึงฌานก็ให้รู้ว่าจิตถึงความเป็นใหญ่จิตไม่ถึงความเป็นใหญ่ก็ให้รู้ว่าจิตไม่ถึงความเป็นใหญ่จิตที่ยังมีจิตอื่นยิ่งกว่า เป็นเป็นจิตที่ยังไม่ได้สมาธิอะไรซึ่งต่ำกว่าจิตที่ได้สมาธิหรือว่าแม้จิตที่ได้สมาธิก็ยังเป็นสมาธิขั้นบริกรรมชั่วครูชั่วขณะซึ่งต่ำกว่า สมาธิที่เป็นอุปจานคือเฉียดที่จะสงบจริงคือที่ยังมีจิตอื่นยิ่งขึ้นไปกว่าอีกโดยลําดับขึ้นไปดังนี้ก็ให้รู้จิตที่เป็นอนุตระคือไม่มีจิตอื่นยิ่งขึ้นไปกว่าคือเป็นจิตที่บรรลุถึงขั้นสูงซึ่งหมายความว่า ชั้นสูงสําหรับในชั้นนั้นๆก็ให้รู้หรือว่าสูงสุดทีเดียวก็ให้รู้จิตที่ได้สมาธิมีสมาธิตั้งมัน่นก็ให้รู้จิตที่ไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมัน่นก็ให้รู้จิตที่วิมุตต์หลุดพ้น หมายถึงหลุดพ้นตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไปดังที่เรียกวัตรทังคบิมุตหลุดพ้นได้องค์นั้นๆแม้ชั่วคราวก็ให้รู้จิตที่ไม่วิมุตหลุดพ้นก็ให้รู้ดังนี้คืนน้อมจิตนี้เองเข้ามาดูจิตว่าจิตเป็นไปอย่างไรอยู่ในปัจจุบันสำหรับจิตที่ตรัดแสดงไว้ ให้ตั้งสติกำหนดดูคู่ที่หนึ่งคู่ <acaksın> ที่สองคู่ที่สามคือจิตที่มีราคะหรือปราศจากราคะจิตที่มีโทสะหรือปราศจากโทสะจิตที่มีโมหะหรือปราศจากโมหะสำหรับจิตที่มีราคะจิตที่มีโทสะจิตที่มีโมหะ ก็สืบเนื่องมาจากเวทนาดังที่กล่าวมาแล้วคือเมื่อมีสุขเวทนาอันสุขเวทนาถูกต้องและยังมีความยินดีบันเทิงชื่นชมสยบติดก็ นำให้จิตนี้เป็นจิตที่มีราคะคือความริษยจยินดีจิตที่ได้รับทุกขเวทนาอันทุกขเวทนาถูกต้องก็โศกเศร้าเสียใจลาบากใจทุกใจรนจวนใจตีอกคร่ำครวญหลงไหล ก็นำให้เกิดโสดาเป็นกิตที่มีโสดาเมื่อได้รับเวทนาที่เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขหรืออุเบกขาวเวทนาก็ไม่กำหนดดูให้รู้จักเกิดรู้จักดับของเวทนานี้ไม่กำหนดดูให้รู้คุณรู้โทษ ของเวทนานี้ไม่กำหนดนำจิตออกจากเวทนานี้ก็เป็นจิตที่มีโมหะคือความหลงก็เมื่อกำหนดเวทนาก็จะนำไปถึงจิตและกำหนดจิตดูว่าจิตมีราคะก็ให้รู้มีโทสะก็ให้รู้ มีโมหะก็ให้รู้ดังนี้ก็ทำให้รู้จิตว่าเป็นจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะอันสืบเนื่องมาจากเวทนาดังกล่าวดูเวทนาก็ถึงจิตเลยนดูจิตก็จะถึงเวทนาที่สัมพันธ์กันและก็ให้รู้อาการของจิตที่มีราคะ ว่าคือมีความติดใจ ย, ยินดีที่มีโทสะก็มีความกระทบกระทั่งโกรธแค้นกัดเคืองที่มีโมหะก็คือมีความหลงคือไม่รู้คราวนี้เมื่อมาเป็นภูปฏิบัติตามพิรุทติเจ้าสรงสั่งสอนในขณะที่ได้รับเวทนา เมื่อได้รับทุกขเวทนาก็ทำจิตให้ไม่อภินัน เ, นเพิดเพลินยินดีไม่ให้คืนชมไม่ให้สยบติดเมื่อเป็นดังนี้จิตก็จะปราศจากโลธราคะในอารมณ์นั้นเมื่อได้รับทุกขเวทนา ก็ทาจิตไม่ให้โศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์ใจลำบากใจไม่ให้รันจวนใจไม่ให้ตี อ, อกคร่ำครวญไม่ให้หลงไหลเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ปราศจากโสดาเมื่อได้รับเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้นเป็นอุเบกขาเวทนา ก็กำหนดพิจารณาให้รู้จักและกำหนดให้รู้จักเกิดดับคุณโทษและการที่นำจิตออกได้ดังนี้ก็ทำให้จิตปราณจะจากโมหะในอารมณ์นั้นก็เป็นอันว่าการกำหนดดูจิตนั้นก็กำหนดดูไปให้ถึงเวทนา หรือว่ามากำหนดเวทนาก็กำหนดให้ถึงจิตซึ่งสัมพันธ์กันดังที่กล่าวมาแล้วและเมื่อรู้และหากว่าไม่ได้ปฏิบัติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ก็ย่อมจะเป็นจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะเพราะ มีความติดใจ ย, ยินดีเพราะมีความทุกขกระทบกระทั่งเพราะมีความไม่รู้ตามเป็นจริงหากปฏิบัติตามพิระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคอยที่จะกำหนดดูให้รู้จักเวทนาและไม่ทําความอภินันในสุขเวทนา ไม่ทำความทุกข์ขัดใจในทุกขเวทนาไม่ทำความไม่รู้ในอุเบกขาเวทนาหรือเวทนาที่ไม่ทุกขไม่สุขดังนี้ก็เป็นจิตที่ปราศจากราคะโทสะโมหะในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นจิตนี้รับอารมณ์ คือเรื่องที่ประสบทางตาหรือทางจากักรุทวานทางตาประตูตาโดยเป็นรูปอารมณ์อารมณ์คือรูปรับอารมณ์ทางโสตทวารคือประตูหรือทางหูโดยเป็นศัทรารมณ์อารมณ์คือเสียง รับอารมณ์ทางคานาทวานคือทางจมูกโดยเป็นคันธารลมอารมณ์คือกลิ่นรับอารมณ์ทางคิวหาทวานประตูลล่นหรือทางลิ่น โดยเป็นระสารมอารมณ์คือรสรับอารมณ์ทางกายทวารทางประตูกายหรือทางกายโดยเป็นพลสะพานลมอารมณ์คือพลสะพาสิ่งที่กายถูกต้องรับอารมณ์คือธรรมะเรื่องราวทางมโนทวารประตูใจหรือทางใจโดยเป็นธรมรมณ์อารมณ์ คือธรรมะในที่นี้หมายถึงเรื่องราวของรูปเสียงเป็นต้นที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วหรือที่คิดว่าจะได้ประสบพบผ่านต่อไปอารมณ์เหล่านี้คู่กันอยู่กับจิตเสมออารมณ์นั้นได้มีระพุทธภาสิตตรัดแสดงไว้ว่าคือเรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริ เรื่องจิตหมกมุ่นถึงไม่ใช่หมายถึงภาวะของจิตที่รักหรือที่ชังหรือที่หลงที่คนมักจะพูดกันว่าอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีที่หมายถึงจิตที่ดีหรือจิตที่ไม่ดีแต่อารมณ์นั้นหมายถึงเรื่องดังที่กล่าวมานั่นแต่ว่า ถ้าเรียกว่าอารมณ์นี้เรียกว่าอารมณ์ไม่ดี <c oughs> เป็นคนนี้กำลังโกรธก็ว่าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์หงุดหงิดถ้าพูดด้วยความเข้าใจว่าอันความโกรธความหงุดหงิดนั้นย่อมตั้งอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความโกรธของความหงุดหงิดเพราะฉะนั้น ตัวอารมณ์กับตัวอาการของจิตที่โกรธที่หงุดหงิดก็ประกอบกันอยู่เป็นสังขารคือผสมปรุงแต่งกันอยู่กิเลตกับอารมณ์ผสมปรุงแต่งกันอยู่และก็ผสมปรุงแต่งกันอยู่ที่จิตก็เป็นอันว่ามีสามสิ่งคือจิตหนึ่ง อารมณ์หนึ่งกิเลสหนึ่งผสมผสมปรุงแต่งกันอยู่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเมื่อเป็นดังนี้ก็อาจพูดได้เหมือนกันเช่นเมื่อจิตผสมปรุงแต่งกันอยู่กับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความโกรธและตัวความโกรธเอง ก็พูดได้เหมือนกันว่าจิตไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเพราะว่าต้องมีทั้งจิตทั้งอารมณ์ทั้งกิเลสรวมกันอยู่เป็นสังขารคือสิ่งประสมปรุงแต่งดังที่กล่าวมาแล้วเพรดฉะนั้นเมื่อพิจารณาที่เป็นสติปัฏฐานนั้น ก็คือเป็นการพิจารณาแยกแยกสังขารคือความผสมปรุงแต่งกันของสามสิ่งนี้ให้แยกออกจากกันเสียตั้งตนแต่การที่มาจับพิจารณาดูว่าจิตที่มีราคะก็เพราะหนึ่งมีจิตสองมีอารมณ์เป็นที่ตั้งของราคะสามมีกิเลส ต, ตัวราคะ ประกอบเปนอยู่ปรุงแต่งกันอยู่จึงเป็นจิตมีราคะขึ้นจิตมีโทสะก็มีสามสิ่งนี้อีกเหมือนกันคือจิตหนึ่งอารมณ์เป็นที่ตั้งของโทสะหนึ่งกิเลสตัวโทสะหนึ่งผสมปรุงแต่งกันอยู่จิตที่มีโมหะก็เช่นเดียวกันมีจิตหนึ่ง อารมณ์เป็นที่ตั้งของโมหะหนึ่งกิเลสตัวโมหะหนึ่งมาประกอบปันอยู่พิจารณาแยกออกดังนี้และเมื่อพิจารณาแยกออกดังนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นวิธีพิจารณาที่เรียกวัดเจาะแทงเหมือนอย่างที่ใช้สว่านเจาะหรือใช้เลื่อยเลื่อยไม้ ทำให้ไม้ที่เป็นท่อนเดียวกันเป็นหลายท่อนหรือว่าทาไม้ที่ไม่เป็นช่องเป็นรูให้เป็นช่องเป็นรูตามต้องการการพิจารณาเจาะแทงดังนี้คือเป็นการที่แยกแยกความผสมปรุงแต่งกันในจิตนี้เองเออกเป็นส่วนๆให้รู้ตามเป็นจริง และเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ทำความรู้ในในในโทษในเมื่อจิตมีโรคมีราคะก็ให้รู้ในโทษจิตมีโทสะก็ให้รู้ในโทษจิตมีโมหะก็ให้รู้ในโทษว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นเครื่องดับปัญญาเป็นไปในฝ่ายความขับแค้นไม่เป็นไปเพื่อดับกิเลส และเมื่อได้ความรู้ขึ้นมาดังนี้ความผสมปรุงแต่งกันทั้งสามนี้ก็จะแยกออกจากกันคือเรียกว่าแตกออกจากกันก็เป็นความดับจิตที่มีราคะก็มีสามสิ่งนั้นมารวมกันและเ ม, เมื่อพิจารณาแยกธาตุออกไป เรสามสิ่งนี้มารวมกันให้ทั้งสามสิ่งนี้กระจายออกจากกันก็จะเป็นจิตที่ปราศจากราคาในเมื่อทั้งสามสิ่งนี้แยกตัวออกจากกันได้อารมณ์มันเป็นที่ตั้งของกิเลสและกิเลสก็ดับจิตที่มีโทษจะออกกำหนดพิจารณาดูเช่นเดียวกันแล้วก็แยกออกไปให้รู้ในโทษ อารมณ์ไฟที่มีโทษในกิเลสไฟที่มีโทษนั้นก็ดับก็เป็นจิตปราศ จ, จากโทสะจิตมีโมหะก็เช่นเดียวกันก็กำหนดดูนล่ก็แยกออกไปพร้อมทั้งให้รู้จักโทษเมื่อเป็นดังนี้อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของโมหะจสตวโมหะก็จะดับ ก็เป็นกิตปราศจากโมหะในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติดังนี้จึงเป็นการปฏิบัติในเวทนานุปัสนาสติปทานเชื่อมกับจิตานุปัสนาสติปทานและเมื่อมาถึงขั้นจิตตานุปัสนาสติปทานนั้นก็มุ่งมาดูที่ตัวจิตนี้เป็นที่ตั้งแล้วก็สาวไปที่เวทนาตังสติกําหนด จำแนกแจกแจงส่วนผสมปรุงแต่งจิตนี้ออกไปดังที่กล่าวก็จะทําให้จิตที่มีราคะเป็นจิตที่ปราศจากราคะทําให้จิตที่มีโทสะเป็นจิตที่ปราศจากโทสะทําหจิตที่มีโมหะปราศจากโมหะในอารมณ์นั้นๆต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทางความสงบสืบต่อไป